ความสงบเงียบที่แท้จริงเกิดจากจิตที่ไร้ความคิดส่งเสียงฟุง้งซ่านอาจใช่ห้องที่ไร้เสียงคนพูดไม่คนส่วนใหญ่เรียกร้องความสงบและเขตส่วนตัวที่ปลอดจากเสียงรบกวนแต่แม้จะได้อยู่ในที่แบบนั้นใจก็เหมือนมีเสียงอุกทึกไปอีกแบบเป็นเสียงอุกกทึกในหัวที่ไม่เคยมีวันหยุดหย่อน ความสงบที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจวิธีเข้าถึงมองเสียงรบกวนเป็นเครื่องฝึกจิตของคนส่วนมากทนเสียงรบกวนไม่ได้เพราะเอาแต่มองว่ามันเป็นเครื่องรบกวนเครื่องทำให้ชีวิตไม่เป็นสุขแล้วพอทนไม่ได้เดีย๋ยวว่าแต่จะไปเจริญสติเลย เอาแค่ใจเย็นๆสักครั้งอย่างยากตัวเมื่อเรามองให้เห็นเป็นเครื่องฝึกใจของเราจะมีปฏิกิริยาเตรียมพร้อมขึ้นมาใจที่เคยว้าวุ่นมากๆจะมีอาการตั้งพร้อมรับวิธีฝึกเจริญสติเมื่อถูกรบกวนด้วยเสียงเห็นตามจริง ในแต่เราะลอกลมหายใจว่าความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดหรือความอยากลุกขึ้นมาขอให้เงียบเสียงคือภาวะอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่คงรูปไม่คงขนาดเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลาบางลมก็ฟุ้งหนาแน่นบางลมก็ฟุ้งเบาบางเห็นไปว่าเสียงนรกเนี่ยมันก่อระดับความกระสับกระส่ายให้เรา เห็นเข้าไปที่ความกระสับกระส่ายไม่ใช่รู้สึกว่าตัวเรากำลังกระสับกระส่ายอยู่พอเห็นว่าอาการกระสับกระส่ายมีดีกรีแรงแค่ไหนหายใจครั้งสองครั้งต่อมาเราจะรู้สึกว่าดีกรีตรงนั้นลดระดับลงเราสามารถเบนความสนใจมาอยู่กับลมหายใจได้และเดี๋ยวเดียว ูก็ผ่านไพลไปจับเอาเสียงเนรกอีกอันนี้เป็นธรรมชาติเลยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นจะคอยแวะเวียนไปหาสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบเสมอเราก็เห็นอีกว่านรกกลับมาอีกแล้วเพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าฝึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในกายใจแล้วเห็นความไม่เที่ยงของภาวะที่เกิดขึ้นแล้ว เมื่อมีสักครั้งหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่ารู้อยู่เฉยเฉยรู้อยู่สบายสบายให้จำตรงนั้นไว้เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอีกรื่อยเรื่อยเมื่อฝึกรู้ได้แม้กระทั่งความฟุ้งซ่านเห็นมันโดยไม่รู้ตามเห็นมันโดยไม่ออกแรงต้านในที่สุดเราจะเห็นทุกเสียงสักแต่เป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป กระทบเพียงชั่วคราวใจจะมีความสุขความสบายอยู่ได้โดยไม่ทรมานเลยเกิดความสงบอีกแบบหนึ่งขึ้นคือสงบอย่างรู้หรือรู้อย่างสงบ